ธรรมบทแปลเรื่องนางสิริมาภาคที่หเรื่องที่หนึ่งพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารพนางสิริมาพ ร, ระธรรมเทศนานี้ว่าปัสสจิตตะกะตังพิมพังอรุกายังสมุตสีตัง อาตุรังพระหุสังกับปังยะสะัสสนติทุวังทิติแปลว่าเธอจงดูอันตภาพที่ไม่มีความยั่งยืนและความมั่นคงอันกรรมทำให้วิจิตแล้วมีกายเป็นแผลอันกระดูกสามร้อยท่อนยกขึ้นแล้วอันอาดูนที่มหาชนกรุ่นคิดแล้วโดยมาก ดังได้สดับมานางสิริมานั้นเป็นหญิงคณิกามีรูปร่างงดงามในกรุงราชจุรึกภายในปัรษาหนึ่งได้ประทุษร้ายต่ออุบาสิกานามว่าอุตราซึ่งเป็นทิดาของปุณณเศรษฐีผู้เป็นภรยาของสุมาณเศรษฐีบุตรนางสิริมา ประสงค์จะให้นางอุตรานั้นเลื่อมใสซึ่งทูลขอขมาพระศาสดาผู้ทรงธทรรมพัฒกิจกับพิสุสง์เสร็จแล้วในเรือนของนางอุตรานั้นในวันนั้นได้ฟังพัฒะอนุโมทนาของพระทศพลได้บรรลุโสดาปฏิผลแล้วในเวลาจบกถาที่ว่าพึงชนะ คนโกรธด้วยความไม่โกรธพึ่งชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึ่งชนะคนตระีด้วยการให้บันพึ่งชนะคนพูดปล่อยๆด้วยกําจริงนี่เป็นความย่อในเรื่องนี้ส่วนเนื้อเรื่องพิสดารจะมีแจ้งในอัตกตาแห่งคาถาอนุโมทนาในโกตะวักนั่นแหละ นางสิริมานั้นครั้นบร ล, ลุโซดาบันอย่างนั้นแล้วนิมนต์พระทศพลรุ่งขึ้นได้ถวายทานเป็นนันมากแล้วได้ตั้งอัตฐกาพัทคือพัทสำหรับภิกษุแปดรูปเพื่อพระสงค์ไว้เป็นประจำตั้งแต่วันแรกมาภิกษุแปดรูปไปเรือนเสมอนางเอ่ยปากว่า พระกุณเจ้านิมนต์ท่านทั้งหลายรับเนยใสรับนมสดดังนี้เป็นต้นแล้วก็บรรจุพัดให้เต็มบาทของภิกษุเหล่านั้นอาหารบินตาบาต ท, ที่ภิกษุรูปหนึ่งได้แล้วย่อมเพียงพอแก่ภิกษุสามรูปบ้างสี่รูปบ้างนางถวายบินฑาบาตด้วยการจับจ่ายทรัพย์สิบหก กะหาปณะนะทุกวันต่อมาวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งฉันอัฏฐกะพัดในเรือนของนางแล้วได้ไปวิหารแห่งหนึ่งนะที่ไกลสามโยชน์รังนั้นพวกภิกษุถามเธอซึ่งนั่งอยู่ในที่บํารุงพระเตระในเวลาเย็นว่าท่านผู้มีอายุ ท่านไปรับภิกษาที่ไหนมาภิกษุรูปนั้นตอบว่าผมไปฉันอัตกาพัทที่บ้านของนางสิริมาพวกภิกษุถามอีกว่าก็นางทำของอันน่าพึงใจถวายไหมตอนภิกษุพรรณนาความดีของนางสิริมาภิกษุผู้นั้นจึงกล่าวคุณของนางว่า ผมไม่สามารถจะพนานาพัดของนางได้เพราะนางทำถวายแสนเจรณีตพัดที่ภิกษุรูปหนึ่งได้ย่อมเพียงพอแก่ภิกษุสามรูปบ้างสี่รูปบ้างแต่การได้เห็นนางนั้นแลดีเสียยิ่งกว่าทยธรรมของนางเสียอีกเพราะนางสวยงามเช่นนี้เช่นนี้นย่างนี้ก็ในครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่ง ได้ฟังถ้อยคมที่ปัตนากุณของนางเกิดความรักขึ้นแล้วโดยไม่ได้เห็นตัวเลยมีความคิดว่าควรที่จะไปดูนางภิกษุรูปหนึ่งนั้นจึงบอกจำนวนภญษาของตนแล้วตามลำดับกับภิกษุรูปนั้นแล้วได้ยินว่าท่านผู้มีอายุพวกนี้ท่านจะเป็นพระสังฆเตระ จะได้อัตตะพัดในเรือนของนางสิริมาภิษุรูปนั้นจึงคว้าบาทและจุบอนหลีกไปในขณะนั้นเองเมื่อรุ่นขึ้นแต่เช้าเดียวเข้าไปสู่โรงพัดยืนคอยอยู่แล้วเป็นพระสังฆเตระได้อัตตาพัดในเรือนของนางก็ในเวลาที่ภิษุนั่นจันแล้ว ลีกไปในวันๆนั่นเองโรคได้เกิดขึ้นในสรีระของนางดังนั้นนางจึงเปลื้องอาพรแล้วนอนขณะนั้นพวกทาสีของนางเห็นเิกสุตรต้องหลายผู้ได้อัตกะพัดมาแล้วจึงบอกแก่นางนางศิริมาไม่สามารถจะรับบาทแล้วนิหมดให้หนางหรือถวายของด้วยมือของตนได้ จึงสั่งพวกทาสีว่าแน่แม่ทั้งหลายพวกเธอรับบาทแล้วนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าให้นั่งให้ดื่มข้าวยากูถวายของเคี้ยวในเวลาพัดจงบรรจุพัดให้เต็มบาทแล้วถวายเถิดทาสีเหล่านั้นรับคำแล้วได้นิมนต์ภิกษุทั้งหลายให้เข้ามาให้ดื่มข้าวยากู ถวายของเกี่ยวแล้วในเวลาฉันพัดก็บรรจุพัดให้เต็มบาทแล้วจึงได้แจ้งแกนางสลีมานางจึงได้กล่าวว่าพบเธอช่วยพยุงฉันไปดีฉันจะไหว้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายนางผู้อันทาสีทั้งหลายพยุงไปสู่ที่ใกล้ภิกษุแล้วก็ได้ไหว้ภิกษุทั้งหลาย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 กิเลสที่เธอสั่งสมไว้หลายโกรปีก็เริ่บขึ้นแล้วพิกสุนั้นไม่ได้มีใจจดจ่อที่อื่นมีใจจดจ่อแต่เฉพาะหนางเท่านั้นไม่สามารถจะฉันอาหารได้จึงถือบาทกลับวิหารปิดบาทวางไว้นะส่วนข้างหนึ่งปูจีวร น, นอนแล้วลำดับนั้นพิกษุ สหายของเธอรูปหนึ่งแม้อ่อนวอนอยู่ก็ไม่สามารถจะให้ภิกษุนั้นฉันได้ภิกษุนั้นได้โอดอาหารแล้วตอนนางสิริมาถึงแก่กรรมในเวลาเย็นวันนั้นเองนางสิริมาได้ทำการกิริยาคือตายแล้วพระราชาทรงส่งพระราชสาร ไปถวายกับพระศาสดาว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญนางสิริมาน้องสาวหมอชีวกได้ทํากาลักเกลียาเสร็จแล้วพระศาสดาส่งสดับเรื่องนั้นแล้วจึงส่งข่าวไปแด่พระราชาว่ากิจคือการเผาศพของนางสิริมายังไม่มีพระองค์จงส่งรับสั่งให้คนเอาศพนางสิริมานั้น นอนในป่าช้าผีดิบแล้วให้รักษาไว้โดยอาการที่กาและสุนัขจะกินไม่ได้เถิดพระราชาก็ได้ทรงทำตามรับสั่งแล้วสามวันล่วงไปแล้วโดยลำดับในวันที่สสรีระขึ้นผ่องแล้วมูนอนไต่ออกจากปากแปลตั้งกาวสรีระทั้งสิ้นได้แตกสลาย คล้ายถาดเข้าสารฉะนั้นพระราชาให้พวกราชบุรุษตีกลองโฆษณาในพระนครว่าเว้นเด็กๆที่เฝ้าเรือนเสียใครไม่มาดูนางสิริมาจะถูกปรับแปดกหาปณะดนะังนี้และได้ส่งพระราชสารไปสำนักของพระศาสดาว่าในยักว่าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ขอจงมาดูนางสิดิมาเถิดพระศาสดาจึงรับสั่งให้ประเดียงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเราทั้งหลายจะไปดูนางสุดิมาภิกษุหนุ่มแม้รูปนั้นไม่เชื่อฟังคาของไกลไกลเลยตลอดสี่วันอดอาหารนอนเศร้อยู่แล้วข้าวสวยในบาทบูดสนิมก็ตั้งขึ้นในบาทลำแบบนั้น ภิกษุสหายนั้นจึงเข้าไปหาเธอแล้วบอกว่าท่านผู้มีอายุพระศาสดาจะเสด็จไปทอดพระเนตรนางสิริมาภิกษุผู้นั้นแม้ถูกความหิวแสดเปลาอย่างนั้นก็ลุกขึ้นได้โดยรวดเร็วเมื่อเขากล่าวว่าสิริมานั่นเองจึงกล่าวตามว่าท่านว่าอะไรนะเมื่อภิกษุสหายตอบว่า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 อุบาสกบริษัทก็ดีอุบาสิกาบริษัทก็ดีได้ยืนอยู่พวกละข้างตอนศพนางศิริมาผู้เลอโฉมหาค่าไม่ได้พระสัสดาตรัสตามพระราชาว่านี่ใครมาบพิษพระราชานี่คือน้องสาวหมอชีวกชื่อสิติมาพระเจ้าคา่าพระศ ส, สดา นางศิริมาหรุนีพระราชานางศิริมาพระชชค่ารัชสราถ้าอย่างนั้นขอโปร่งได้โปรโดให้ราชบุรุษดีกลองโฆษณาในพรันธกอนว่าใครให้ทรัพย์พันหนึ่งจงเอานางศิริมาไปพระราชาได้ทรงกระทำอย่างนั้นแล้วผู้ที่จะออกปากว่าข้าพเจ้าหรือว่าเรา แม้คนหนึ่งก็ไม่มีพระราชาตูนแก่พระศาสด า, าว่าจนทั้งหลายไม่รับพระชาคา่าาพระศาสด า, าตรัสว่ามหาบพิษถ้าอย่างนั้นจงลดราคาลงไปอีกพระราชาจึงรับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่าใครให้ซับห้าร้อยจงเอาไปไม่จงเห็นใครๆจะรับเอา จึงรับสั่งให้ตีกล่องโฆษณาว่าไกลให้ซับรัอยห้า0บสหนึ่งห้าห้ากหาปณะนะ10กาหาปณะหนะ้ 5, กากหาปณะหนะึ่งกะหาปณะนะครึ่งกาหาปณะนะบาทหนึ่งมาศกหนึ่งหรือกากนิกหนึ่งแล้วเอานางสิณี ม, มาไปก็ไม่เห็นใครจะรับเอาไป จึงรับสั่งให้ตีกรองโฆษณาว่าจงเอาไปเปล่าๆก็ได้ผู้ที่จะบอกว่าข้าพเจ้าหรือว่าเราแม้คนหนึ่งก็ไม่มีปราชาจึงได้ทูลกับพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เริญชื่อว่าผู้ที่จะรับเอาไปแม้เปล่าๆก็ไม่มีพระศาสดาจึงตรายว่าภิสษุทตั้งหลาย เธอทั้งหลายจงดูมาตุกามซึ่งเป็นที่รักของมหาชนในการกรชนทั้งหลายในวรรณกรณนี้ให้ซับพันหนึ่งแล้วจึงได้อภิรมวันหนึ่งแต่บัดนี้แม้ผู้ที่จะรับเอาเปล่าๆก็ไม่มีรูปเห็นป่านนี้ถึงความสิ้นและเสื่อมแล้วปิสุรหลายเธอทั้งหลาย จงดูอัตภาพอนาดุลดังนี้แล้วตรสพระกถานี้ว่าปันสะจิตตะกะตังพิมบังอรุกายังสมุสิตังอาตุรังพะหุสังกปังยัสสะนติทุวังทิติแปลว่าเธอจงดูอัตภาพที่ไม่มีความยั่งยืนไม่มีความมั่นคง อันกรรมทำให้วิจิตแล้วมีกลายเป็นแปลมีกระดูเป็นโครงร่างอันอาดูลที่หมาชนคิดอยากได้โดยมากตอนแก้อัดในบรรดาคำเหล่านั้นคาว่าจิตตะกะตังแปลว่าทำให้วิจิตแล้วหมายความว่ามีความวิจิตอันกรรำํำแล้ว คืออันบุคคลทำให้วิจิตด้วยวัตถุต่างๆมีอาภรณ์คือผ้าและเครื่องประดับคือระเบียบดอกไม้เป็นต้นคำว่าพิมพังแปลว่าอัตภาพได้แก่ซึ่งอัตภาพอันตั้งอยู่ถูกส่วนด้วยอวัยวะทั้งหลายใหญ่น้อยมีส่วนยาเป็นต้นในตานะอันสมควรแก่ความเป็นอวัยวะ ยาวเป็นต้นคำว่าอรุกายังแปลว่ามีกายเป็นแผลคือมีกายเป็นแผลด้วยสามารถปากแปลต่างกาวคำว่าสะมุดสีตังแปลว่ามีกระดูกเป็นโครงร่างคืออันกระดูกสามร้อยท่อนยกขึ้นแล้วคำว่าอาตุรังคืออันอาดุล หมายความว่าชอว่าเป็นยาที่ใช้ประจำเพราะความเป็นสิ่งที่ต้องบริหารด้วยอิริบทเป็นต้นทุกเวลาคำว่าพระหุสังกับปังแปลว่าที่มหาชนคิดอยากได้โดยมากได้แก่อันมหาชนรุ่นคิดแล้วโดยมากส่วนคำว่ายะสะนัตติทุวังทีติ แปลว่าที่ไม่มีความยั่งยืนไม่มีความมั่นคงหมายความว่าเธอทั้งหลายจงอาดูนอัตภาพนี้ที่ไม่มีความยั่งยืนหรือความมั่นคงมีความแตกเรี่ยรายและกระจายกระจายไปเป็นธรรมดาโดยส่วนเดียวเท่านั้นในเวลาจบเทศนาธรรมมาพิสมัยคือการบรรลุ ธ, ธรรม ได้มีแล้วแกสัตว์แปด0่นสี่พันส่วนภิกษุแม้รูปนั้นก็ได้ตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลดังนีหละเรื่องนางสิริมา